ข้อตับ น, นะหน้าร้อยเจ็ดสิบแปดข้อที่ห้าสิบ้าแล้วนะพิสูุรูปใดวิกบชีวรแก่พิสุตก็ดีแก่พิสุณีก็ดีแก่สิกขามานาก็ดีแก่สามะเนงก็ดกีสามะเนีีก็ดีด้วยตนเองแล้วคพิงใช้สอนโดยไม่ได้ทำปัจจุทรถอน ต้องอภั บ, บปารจิตีนะคําว่าวิกัปเป็นชื่อของวินัยกรรมที่ทรงอนุญาตเพื่อให้พิสุเก็บผ้าไว้ได้นานาโดยไม่เป็นอดีเล็งจีวอร์การวิกัป บ, บอกว่าวิกัปเป็นชื่อของวินัยกรรมถ้าเขาใจความไม่ง่ายวิกัปคือการทั้งเป็นสองเจ้าของครับนะก็อธิบายนี่นะครับก็พอใช้ได้นะคำอธิบายนี้ไม่ถือว่าผิดหรอก พราะาถ้าพอเราทำวินัยกรรมนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ว่าจะใช้สอยผ้านั้นได้ตามสะดวกอย่างเดียวใช่ไหมครับต้องร้องเขาถอให้ก่อนนี่นะถ้าเขายังไม่ถอนให้เราเรามาใช้อย่างนี้นะก็จะต้องบัทไปอย่างตนสีขาบทนี้นคะครับการวิกับผ้าเนี่ยไปวิกลับเก่าสะาดทำมิตรห้าได้เลยไม่ใช่ใ น, นช้องรู้วินัยไม่เข้าไปหาช้อนเลยช้อนเราพี่ขอวิกับผ้านะยยมังจีวรังตุยหังเรวิกับไอมิใช่ไหมนี่นะครับ พอวิ่งเก็บผ้าอย่างนี้ปุ๊บผ้า น, นั่นก็ถือว่าเป็นผ้าที่ได้วิกงเกบแล้วไม่ต้องอธิษฐานอะไรนะครับสามารถเก็บไว้ได้นะกี่วันก็ได้นะครับโดยที่ยังไม่ต้องอธิษฐานอ้าเรากพิ่งวิ่งเกบไปแล้วแต่ว่าอย่าเอามานุ้มผมไม่ได้นะพอช้อยังไม่ได้ถอดในผมใช่ไหม <c oughs> เอาพอทำกระเป๋าเนี่ยเพื่ออยู่แต่การเก็บไม่ได้อย่างเดียวนครับเราจะมานุ้มผมก็ไม่ได้มาอธิษฐานไม่ได้หรือว่าให้ใครก็ไม่ได้นะ ถ้าเราเอามาโน้มงผมเนี่ยก็จะต้องอานบทปลายจิตตีในสิกขาบท น, นี้เอามาใช้สอนนะต้องบทปลายิตีในสิกขาบท น, นี้ถ้าสลายคนอื่นไปหรือว่ามาทิฐิฐานเนี่ยจะต้องมาทุกบเลยตกอา่านบัทเบาลงถ้ามันต้องการใช้ผมทำเองเนีย่ยผมก็เข้าไปหาชอ น, นครับให้ชานถอนให้นะครับชอนก็จะถอนให้เป็นภาษาไทยก็ได้นะผ้านี้เป็นของผมนี่นะครับ อาจารย์จงอะไรนะจงบริโภคใช้สอยจงกระทําตามปัจจัยเถอะอะไรนี่ครับปริพุนเช่วาวิสัชเชีวานะจงบริโภคใช้สอยจงสละหรือจงมาทําตามปัจจัยเถอะอะไรนี่ครับพอชอนว่าเสร็จเนี่ยก็ถือว่าถอนแล้วใช่ไหมผมก็เอามาใช้ได้นะครับตอนเขาถอนก่อนหรือว่าถ้ายังไม่เขาถอนเราก็ทําแต่ว่าถือวิสาสะามาใช้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ได้เหมือนกันนะ ได้สองแบบแต่ถ้าเขายังไม่ได้พอนเลยหรือไม่ได้ทำใจเอามาใช้ดู ว, วิาสาสรเลยนะครับเอามาใช้สอยนะก็จะต้องอนานแบบปาฏิตรีในสิคาบทนี้นคาว่าพิกลเนี่ยถ้าแปลตาภาษาบาลีนะเรียนถึงนี้ครับคำ ว, ว่าพิกลอยู่ในนั่นนะในอุปสรรคนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ในสมาดมายังไม่ถึงยังไม่ถึงอยู่ในสมายังไม่ถึงใช่ไหมครับที่ก็วิเคราะห์ว่าอะไรนะวิสิทโปกัปโววิกลโบการกระทํารด้วยประการต่างๆการกระทําอย่างพิเศษนะครับการกระทําอย่างพิเศษนะหรือว่าการกระทําอย่างต่างๆอันนี้ชื่อว่าวิกลข้อวิเคราะห์วิวิทาอะไรอย่างงี้นะมีวิวิทาแล้วแล้วก็วิสิทธโภอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละ การกระทําอย่างต่างๆหรือว่าการกระทำอย่างพิเศษเชื่อวิกลก็กระทำอย่างพิเศษบอกว่าทำพราะทำมีในกรรมแล้วสามารถเก็บผ้าไม่ได้นานๆใช่ไหมครับโดยที่ไม่ต้องอธิฐาไม่ไป็นอิจฉาีอกนนะทีนี้นะครับพอเข้าถอดอธิฐานให้เข้าถอดวิกลกให้เราเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สามารถมาใช้สอยได้เลยนะครับเนี่ยในดีการดีมันติบอกว่าผ้าที่เข้าถอนวิกลกให้เราแล้วนะ ถึงเราเจะไม่อาทิษฐานนะครับมันก็ไม่เป็นดีเด่นชีบอดอ่าไม่เป็นดีเดนชีบอนนะครับท่านี่ก็ขอให้เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าเป็นพลาดที่จะทำวิกัลไปแล้วนั่นแหละนะครับถึงไม่อาธิษฐานก็สามารถใช้สอนไ ด, ได้เรื่อยๆนีนะโดยที่ไม่่เป็นอาบัติเพราะว่าเกิดดีเด่นชีบอมันเกินสิบวันนะครับทางดีการบอกว่าอยางนี้นะครที <c oughs> นี้เราเหมือนดูต้นเนื้อ ดีการวิมตินีเขาบอกไว้ครับถ้าถ้าทำทไม่กับเสร็จแล้วนะถือไม่เข้าถอนให้เราเรียบน้อยแล้วนะครับเราถึงจะแม่ทิฐฐานนะแม่มาทิฐิฐานเลยก็ใช้ถอนได้ครับโดยที่ไม่เป็นดิเด็กีวอร์ไม่ต้องแบบเกเกินเกินสิบวันก็ถือว่าเป็นผ้าที่ได้วิกับไปแล้วนะครับถึงถอนแล้วก็ถือว่าได้วิกับไปแล้วนะ การนั้นผมก็เมื่อก่อนผมก็เมื่อก่อนันก็จะอว่าอถ่อนพุ่มเนี่ยมันก็หายจากวิกัมได้วใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นอิเดียจีวรไปนะครับแต่พอดูวารีการนมบอกว่าไม่ใช่ครับไม่เป็นอิเดียจีวอนครับนั่นนะแปลกเหมือนกะครับในวิมานสีนั้นความจริงไม่ได้อธิบายสิทธาบทนี้นะ้านีบานตั้งแต่นู่นนะประทมกัสิทธาบทนะครับอธิบายในที่นั้นครับ ทีนี้เรามาดูต้นบัญญัินะดูต้นบรรยัณสมองครับต้นบัญญัตณนี้ก็เป็นเรื่องของพระอุปนันทาสารายบุตรนะครับโดยสมัยนั้นทุกว่าภาพพระเจ้าประทับอยู่นัชพระเชตวันอารามของนาสถานวินิกาข้ามบดีเขตพระนครสามัทถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทาสารายบุตรวิกลจีวรเองแก่พิสุที่วิหาริศของพิสุทธพูดเว็เพื่อนกันอพี่น้องกันครับเจอพิสุรูปนี้หลายครั้งแล้วนะ ไม่รูปเดียวกันหรือเปล่าบอกพิสุที่เป็นสันทิวิหารนี่ของพิสุพี่น้องกันแล้วใช้สอนจีวอ น, นั้นซึ่งยังไม่ได้ถอนก็ยังไม่ได้ถอนให้เลยทังกองมาใช้สอยแล้วนะครับขั้น <c oughs> ขั้นแล้วพิสุนั้นเล่าเรื่องนั้นแก่พิสุทั้งหลายว่าอวุโสทั้งหลายท่านระองค์ปนังท้าสากรรยาบุญนี้พิกับจีวอเองแก่ผมแล้วใช้สอนจีวอนนั้นซึ่งยังไม่ได้ถอน บรรดาพิสุนิมักผู้มั่งน้อยสนดดาตัก็แพงเตรียมปทนาว่าท่านพระอุปนันทานักยญาบุตรีิกับชีวรเองแก่ดพิสุแล้วฉะไหนจึงได้ใช้สอนจีวรนั้นซึ่งยังไม่ได้ถองรอกแล้วกาพนุนนั้น่ับพิมพ่าเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงสอบถามทรงติดเตียมผู้ปนนแลวก็มายสิษฐานะนี้ขึ้นมาพิกาได้สัสมห้าเลยสมัยนี้พิสุนี้มายิษฐานาสามเนี้ไม่มีแล้วนะครับ มีบางที่ที่ข้ามีพิสุนีขึ้นมาวัดไหนนะชอบมีพิสุนีว่าชอบแช้สีใช่ไหมครับมีพิสุนีขึ้นมาก็เลือกตัวเองว่าหลวงยาอ๋อหลวงยาแต่พิสุนีนั้นใช้ไม่ได้นะไม่ได้บวชไม่ได้บวชด้วยนะอถาวาจิกูปสะสบคาใช่ไหมไม่ได้บวชตามของนการสิลาวานะนันใช้ไม่ได้เชื่อว่าบวชไม่ขึ้นนะครับ เขาเป็นพิษณีของอะไรของมหายาณรึเปล่าดี๋ยวา่าของเทราวาเนี่แหละพิษณีจะเป็นคนจแล้ว<อ>ก็ทำวัดเองเจ้าเสกว่าของมหาญาณใช่ไหมพิษณีมหายาณเมือ่อก่อนเคยมีสมณีรีรึเปล่ามีวันหนึ่งนะก็จะมีสมณีรีก็ลำบาก<อ> น, นะพี่แม่ชีก็โอ้ยพอแล้ว เขาไม่ยอมรล่ากันใช่ไหมเขาไม่ยอมเล่าเขาไม่ยอมล่าเลยเขาไม่ได้เลยนะนะเขาเพราะว่าไม่ถูกต้องตามพระธรรมวิบบนัยนะครับอ๋อเขาเาข า, ข า, อาตอนแรกผู้หญิงมันเกิดเป็นครูมั้งอาจารย์สอนมหาอะไร น, นะครับแล้วก็ศรัทธามากนะก็บวชพิษุนีนี่บวชพิสุที่ิสูจนไม่ไม่ยอมรับท่านไม่ยอมเล่า แกก็เลยไม่ค่อยพอใจนะครับว่ากระแทกว่าอะไรผ้าบมอตอนสมัยที่เขาเป็นโยมเนี่ยเขาหนุ่งน้อยของน้อยนี้เป็นครูนุ่มสั้นอะไรนี้น่ะมาสอนหนังสือเน่ะผ้ายอมรับเขาพอเ้าบวนพิษณีแล้วไ ม, มายอมเขาไม่ไงั้นพิษณีทําตัวดีกว่าใช่ไหมถือศีลไม่แคร่งนะเขาเรียบร้อยเนี่ยทำไมไม่ยอมนั่งแกไม่รู้นะครับไม่มีเข้าใจตรงเนี่ยนะไม่มูชไม่ขึ้น นอกจากว่ามีพิสุห้ารูปใช่ไหมกลับแท่งพิสุนีพร้อมกันพิสุห้ารูปกับแท่งพิสุนีเลยนะครับแล้วก็มาทําการบวชใช่ไหมนะครับอันนี้ถึงจะขึ้นครับไม่มีสมัยนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าสมไม่ยอมรับโทษที่ดีแน่เหล๋ย ว, วก็อยู่ภายได้ของสมข้าใช่ครับแล้วก็เจริญไม่ได้ใช่มไหมก็เห็นแค่นั้นนะครับอกจากเป็นพิสุณีของมหายาจะนั้นไม่ได้นะ จะไปพิเก่าพิจินีของนิกายมหายานไม่ได้สิกข า, <c oughs> ามานาก็สัมมาเนรีผู้มีศีรษาศึกษาแล้วในธรรมหกประการตลอดสองปี น, นี่เร า, ารู้แล้วนะครับคําว่าจีวอรในที่นี้นะครับอันนี้คิดไปคร่าวๆนะอันนี้หมายเอาผ้าของชนิดนะชนิดชนิดหนึ่งนะครับท่เราเรียผ่านมาผ้าฝ้าผ้าไหมแล้วเป็นต้นใช่ไหมก็เป็นผ้านะครับกว้างยี่สิบห้าคูณห้าสิบนะ ขนี่จะต้องอมิกลับว่านี่ไงผ้าขนาด น, นั้นเรา้ม่สมารถคูณห้าสิบดินก็จะได้ที่บานนะเกี่ยวกับารวิกับขอพักขึ้นก่อนนะพักขึ้นก่อนแต่ที่ชงใช้หมือกับพาะสดเขายอมรับอยู่พ